สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบ่บา น, นครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซู ต, ตอนที่เจ็ดสิบห้านะครับชายมือรีบกับวันสาบาโตเพราะเจ้นะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่หกข้อที่หกนะครับพระธรรมลูกาบทที่หกข้อที่หกจนถึงข้อที่สิบเอ็ดโปรดฟังข้อเจนะของพระเจ้าในวันสาบาโตอีกวันหนึ่งพระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาและสั่งสอน ที่นั่นมีคนหนึ่งมือขวารีบฝ่ายพวกธรรมจารและพวกฝาริสีคอยดูพระองค์ว่าพระองค์จะทรงรักษาเขาในวันสบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุฟ้องพระองค์ได้แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสแก่คนมือรีบนั้นว่าจงลุกขึ้นมายืนอยู่ข้างหน้าเขาก็ลุกขึ้นแล้วพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่า เราจะถามทั้งหลายว่าในวันสบาโตควรจะทำการดีหรือควรจะทำการร้ายจะช่วยชีวิตดีหรือจะผลานชีวิตดีพระองค์จึงทอดพระเนตรดูทุกคนโดยรอบแล้วสัดกับคนมือรีบนั้นว่าจงเหยียดมือออกเถิดเขาก็กระทำตามและมือของเขาก็หายเป็นปกติฝ่ายคนเหล่านั้นต่างก็มีความเดือดดานและปรึกษากันว่าจะกระทาอย่างไรแก่พระเยซูได้ พื่น้องครับนี่เป็นวันสะบาโตอีกวันหนึ่งนะครับที่เกิดความขัดแย้งขึ้นและที่นี่ได้บันทึกว่าเหตุความขัดแย้งนั้นเกิดขึ้นในธรรมศาลานะครับแสดงว่าธรรมศาลานี้นะครับจะเป็นเมืองหนึ่งนะครับที่อยู่ในกาลิลีนะครับคงจะไม่ได้อยู่ในเยรูซาเล็มนะครับเพราะว่าถ้าเยรูซาเลมนั้นก็น่าจะเป็นพระวิหารนะครับพระเยซูเสด็จเข้าไปในธรรมศาลานะครับตามที่เคยปฏิบัติมาทุกๆวันสะบาโต เพื่อเข้าไปนมันสการพระเจ้าในแผ่นเดียวกันครับก็ถือโอกาสสั่งสอนประชาชนในวันสบาโตด้วยเราเห็นนะครับว่าท่านอัคาทูดเปาโลก็เรียนแบบพระเยซูครับเมื่อท่านไปประกาศตามเมืองต่างๆนะครับที่อยู่ในอาณาจักรโรมนะครับท่านก็เรียนแบบพระเยซูครับท่านก็เข้าไปในธรรมศาลาเพื่อสั่งสอนนะครับเพื่อประกาศข่าวประเสริฐแห่งพระเกียรติคุณของพระเจ้าพระเยซูครับ ได้ทอดพระเนตรเห็นชายมือรีดคนหนึ่งน ะ, ะเจอโรมนะครับพี่น้องครับผมนอกเรื่องนิดหนึ่งครับเจอโรมนักปวดศาสตร์นั้นก็กล่าวถึงชายคนนี้นะครับว่าชายคนนี้น่าจะเป็นคนก่อสร้างนะครับเป็นช่างก่อสร้างตึกที่อาศัยมือทั้งสองข้างทํางานอย่างชีพเสมอเจอรมเล่านะครับต่อไปว่าชายผู้นี้เนี่ยก็ทูลขอให้พระเยซูรักษาเขา เพื่อเขาจะไม่ต้องไปยึดอาชีพขอทานนะครับเพราะว่าช่างก่อสร้างแน่นอนครับเขาต้องใช้มือนะครับเป็นเครื่องมือในการทํามาหาเลี้ยงชีพมัทธิวมารโกลูกาไม่ได้บันทึกคําสนทนาใดๆระหว่างพระเยซูกับชายผู้นี้แต่ขอตั้งข้อสังเกตนะครับว่าพวกฟาริสีนั้นจับตาดูพระเยซูกับชายผู้นี้พวกฟาริสีมีความคาดหวังยังไงครับ ที่น้องลองเดาดูนะครับพวกปริศีนั้นมีความคาดหวังอย่างไรครับพวกปริศีนั้นคาดหวังว่าพระเยซูอาจจะละเมิดกฎวันสบาโตทำให้พวกเขานั้นมีเหตุที่จะฟ้องร้องพระองค์นะครับเพราะพวกเขานั้นไม่ชอบพระเยซูครับทำไมไม่ชอบพระเยซูเพราะว่าพระเยซูนั้นได้ติดข้อห า, หาหลายอย่างนะครับก็คือข้อหาละเมิดวันสะบาโตข้อหาหมิ่นประมาทพระเจ้าข้อหายกตัวเองเท่ากับพระเจ้าข้อหาที่บอกว่า โปร่งเป็นเจ้าของวันสมาโตที่น้องครับการรักษาโรคในวันสบาโตยอมให้ได้เฉพาะแต่กรณีคอขาดบาดตายเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นหลักประเพณีของพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีกรณีที่พวกฟาริสียอมอนุโลนผ่อนปรนให้ก็เป็นว่าการคลอดลูกนะครับโรคเกี่ยวกับลําคอหรือมีตึกพังหรืออาคารพังนะครับหรือมีแผ่นดินไหวนะครับ ก็อนุญาตให้คนรื้อกองหินดูได้ว่ามีใครติดอยู่นะครับใต้อาคารที่พังหรือว่าอาคารเอ่อตึกที่ถูกรื้อนะครับหรือไม่นะครับหากคนนั้นยังมีชีวิตรอดอยู่ก็สามารถอุ่มหาออกมารักษาพยาบาล น, นะครับแต่ถ้าหากมีคนตายจะต้องจิงไว้จนถึงวันรุ่งขึ้นครับนะรบหรือแม้กระทั่งกระดูกหักนะครับเพ็รขัดยจอช้ำบวม ก็ต้องรอให้วันสะบาโตล่วงไปแล้วจึงค่อยมารักษานะครับหากมีบาดแผลก็อาจจะต้องใช้ผ้าพันแผลไว้แต่ไม่มีการทายานะครับนี่คือกฎต่างๆของวันสะบาโตครับที่บอกว่ามีตั้งหมื่นสองพันกฎนะครับ น, นครับลูกาบันทึกว่าพระเยซูทรงทราบความคิดของพวกเขามัทธิวก็บันทึกนะครับในทำนองเดียวกันนะครับมัทธิวบันทึกเพิ่มเติมนะครับว่าพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า ถ้าผู้ใดในพวกท่านมีแกะตัวเดียวและแกะตัวนั้นตกบ่อในวันสะบาโตผู้นั้นจะไม่จุดลากแกะตัวนั้นขึ้นมาหรือมนุษย์คนหนึ่งย่อมประเสริญยิ่งกว่าแกะมากทีเดียวเหตุกะนั้นจึงอนุ ญ, ญาตให้ทำการดีได้ในวั น, น, วนสะบาโตนี่คือสิ่งที่เบียูได้พูดกล่าวโต้แย้งกับพวกฟอริสีนะครับทำความเข้าใจในเรื่องราวความสาคัญนะครับของการมีวันสะบาโต ทั้งมัทธิวมารโกและลูกาครับต่างก็บันทึกเรื่องการรักษาชายมือรีบนะครับโดยให้รายละเอียดของเรื่องในงแนง่มต่างๆกันครับลูกาบอกให้ทราบว่ามือที่รีบนั้นเป็นมือข้างขวาลูกาซึ่งเป็นแพทย์ น, นะครับสนใจรายละเอียดติดย่อยมัทธิวและมารโกเล่า ว, ว่าพระเยซูตรัสเรียกชายมือรีบให้ก้าวไปข้างหน้ายืนอยู่ตรงหน้าทุกๆกคนมารโกบันทึกว่าพระเยซูตรัสถามคนทั้งปวงว่าในวันสะบาโตวควรจะทําการดีหรือควรจะทำการร้าย จะช่วยชีวิตดีหรือจะพลานชีวิตดีพี่น้องครับไม่มีใครตอบพระเยซูเพราะไม่รู้จะตอบอยังไงจะตอบว่าช่วยได้นะครับก็ผิดความตั้งใจของตัวเองจะตอบว่าช่วยไม่ได้นะครับก็จะเป็นการที่ตัวเองนั้นก็ย่อมรู้นะครับว่ามันไม่ถูกพี่น้องครับพวกเขาจึงไม่รู้จะตอบว่าอย่างไงดังนั้นนะครับจึงจะ จึงเป็นเหตุที่ว่าพระเยซูนั้นในที่ฉุดโลงก็รู้ครับว่าพวกเขาคิดอะไรอยู่พระเยซูก็เลยปิดการขายนะครับคือพระเยซูก็เลยสรุปอย่างนี้ครับพระองค์ตรัสว่าจงเหยียดมือออกเถิดชายคนนั้นก็เหยียดมือออกครับและมือของเขาก็หายเป็นปกติในบันทึกของมาระโกทําให้เรารู้ว่าอารมณ์ของพระเยซูในข้อที่ห้านะครับอารมณ์ของพระเยซูนั้น มาร์โกบันทึกว่าพระองค์เป็นทุกข์ในพระทยัยเพราะใจของพวกเขานั้นแข็งกระดา้างพรงทรงทอดพระเนตรไปรอบๆนะครับโดยมีความกลิ้วครับพี่น้องครับเนื้อความที่บันทึกในมาร์โกนั้น <c oughs> ทําให้เราทราบว่าพระองค์ทรงเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาเหมือนกับท่านเหมือนกับผมครับพรงคทรงมีความโกรธได้เมื่อเผชิญกับความอายุติธรรมพรงค์มีความทุกข์ใจเข้าใจได้เมื่อเห็นว่าคนนั้น ยกย่องกดเกณฑ์นะครับยิ่งกว่าชีวิตของคนการที่ใช้มือรีบเหยียดมือออกนั้นเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อครับเขาได้ตัดสินใจที่จะมีความเชื่อและรับด้วยการเชื่อฟังโดยการเหยียดมือที่รีบออกมือซึ่งใช้การไม่ได้ออกในทันใดนั้นนะครับมือของเขาก็หายจากโรคทันที และนี่เป็นการอัศจรรย์นะครับที่พระเยซูทรงกระทาพี่น้องครับชีวิตของเรานะครับหากว่าเรานั้นได้เชื่อในองค์พระเยนเจ้าเราทั้งหลายจาเป็นอย่างยิ่งที่จะรับสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือต้องเชื่อฟังเมื่อมีความเชื่อแล้วต้องเชื่อฟังถ้าว่าพระเยซู บ, บอกให้เหยียดมือออกนะครับชายผู้ที่มีมือรีบนั้นมีความเชื่อจริงแต่ไม่เหยียดถามว่า มือเขาจะหายัหยครับไม่หายแต่ชายคนนี้มีความเชื่อแล้วเขาเชื่อฟังครับเขาทำตามที่พระเยซูสั่งมือของเขาจึงได้รับการรักษาให้หายขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะตอบสนองหลายคนบอกว่าเป็นลูกของพระเจ้าหลายคนบอกว่ามีความเชื่อในพระเจ้าแต่เมื่อพรจนะมาถึงศัจธรรมมาถึงนามาไทยของพระเจ้ามาถึงชีวิตของเขาเขายัง ไม่อยากตอบสนองด้วยการเชื่อฟังพี่น้องครับอะไรเป็นอุปสรรคในการที่เราจะเชื่อฟังพระองค์ครับอุปสรรคที่สำคัญที่สุดก็คือตัวฉันตัวผมไอนะครับไอก็คือฉันนี่แหละรครับเป็นอุปสรรคที่สำคัญในการที่เราจะยอมหรือไม่ยอมเชื่อฟังขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องแทรคทุกท่านอาเมน